หลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้คณะศรัทธายาตยอมฟังเพื่อเป็นที่เข้าใจโดยมากครูบาอาจารย์พวกยาตยมให้สังเกตดูเวลาอาราธานาศีลท่านก็ให้ศีลแต่หลวงพ่อเนี่ยก่อนที่จะให้ศีลจะให้อะไรไปต้องต้องอธิบายสรรพคุณซะก่อนแล้วบอกคุณค่าซะก่อนว่าคุณค่าของศีลมีประโยชน์อย่างไรที่ที่เราจะต้องรับไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนโบราณรับมาเราก็รับไป สินของพระพุทธเจ้าท่านเป็นสินคุ้มครองโลกเป็นสินอยู่ในชุมชนใดกลุ่มใดชุมชนนั้นกลุ่มนั้นหรือว่าโลกในยุคนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสินคุ้มครองถ้าคนไม่มีสินทุกคนไม่มีสินต่างคนก็ต่างไม่มีสินโลกยุคนั้นก็เป็นโลกที่วุ่นวายที่สุดวันนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้นำมา พิจารณาเป็นข้อข้อแล้วศิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่านะเราทําไมจึงได้รับถึงมีศินจึงรับสาสินของพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสุรเองโดยชอบจากนั้นก็ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะมีมากมายแต่นี้พวกเราได้พิจารณา ได้ทบทวนผู้มีปัญญาทั้งหลายในชาติบ้านเมืองของเราในยุคก่อนเก่าก็ได้มาพิจารณาดูแล้วศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลคุ้มของโลกเพราะฉะนั้นจึงยึดพระธรรมคำสอนคือส่วนหนึ่งคือศีลที่พวกเราจะต้องได้รับรับศีลเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยศีลข้อที่1ปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่า คำว่าฆ่าคํำนี้คือค่าคนอื่นค่าสัตว์ตัดชีวิตค่าคนถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าเจ็บปวดจิตใจอย่างมากพอเขามาดูถูกเกลียดหยามมาฆ่าพ่อแม่ของเราถ้าเราไปฆ่าคนอื่นก็เช่นเดียวกันอาทินาทาน เราไปขโมยคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาขโมยของเรามาคดโกงเราเราก็เสียใจมาขโมยของเราเราเสียใจเขาว่าขโมยคำนี้แไม่ใช่ว่าเพียงแต่ขโมยรองเท้าขโมยได้ขโมยเข็มเท่านั้นขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่หรือว่าเขามาขโมยพ่อแม่ลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถย เรามีเราเสียใจไหมไม่ต้องพูดเสียใจมากเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างให้เคารพซึ่งกันและกันดีไหมข้อที่สามการเมสุมิชฌ า, าราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาลูกหลานของเราเราก็รักถ้าเขาไม่ไม่เคารพสิทธิ์ของเราเขามาล่วงล้ำเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจ ถ้าเป็นของเขาขอเสียใจไหมเสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลมาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีให้เคารพซึ่งกันและกันถ้าต่างคนต่างเคารพกันแล้วดีไหมดีแน่ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราเอาของปลอมมาหลอก ว่าเป็นของจริงของดีอย่างเนี้ยเราก็ได้จ่ายเงินให้ผลที่สุดมารู้ภายหลังว่าเป็นของเก๊เป็นของปลอมเพราะเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันบนนั้นให้ระวังอย่าไปต้มตุนหลอกลวงโกงหกเขา อันนี้คือสีนข้อที่สีข้อที่หสุราเมรยะมัชะประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียสุราเมรยะมัชาประมาณการดื่มสุราและเมลยัยเดี๋ยวนี้สิ่งไหนที่ทำให้ดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วทำให้สมองผิดปกติทำให้สมอง ปั่นป่วนขาดสติอย่างคันชายาวฟินเฮโรอี น, น, นยาบ้าและทุกวันมีมากยาไอยาอะไรต่อนี้อะไรทุกวันนี้มีมากแต่ยาประเภทไหนก็เถอะถ้าดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วทำให้สมองผิดปกติขาดสติพูดง่ายง่ายเมื่อขาดสติและคนที่ขาดสติทำความชั่วด้ทุกอย่าง คนวเมาสุราแอนคนเมาเบียร์คนเมายาบ้าคนเมาขัญชายยาฝิ่นเฮโลอินขาดสติและทําความชั่วได้ทุกอย่างพราะขาดสติฆ่าพอ่อฆ่าแม่แอนฆ่าสามีภรรยาลูกหลานฆ่าวงสาคานา ย, ตยาตญาณมิตรสหายได้หมดจะขโมยสิ่งของของใครก็ได้ทั้งหมดระลับระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ทั้งหมด มุสาโกหกโ ต, โต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีสติยับยั้งขาดสติเพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเมื่อเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็ควรจะรักษาหรือรักษาไม่ได้ก็ควรจะปนมมือเว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงถ้าใครรักษาได้ยุคใดสมัยใดรักษาได้โลกในยุคนั้นจะมีความร่มเย็น ผาสุขท่วนหน้ากันถ้าโลกยุคใดขาดศีลธรรมแล้วโลกยุกนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดไปที่ไหนๆก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแลแวงแแปงใจกันเเพราะว่าคนขาดศีลธรรมเพราะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าศีลธรรมมีคนณค่าอย่างไรต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานมสมาทานศีล นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยุฟังการบรรยายธรรมจากหลวงพ่อนะครับในหัวข้อเรื่องที่กราบเรียนว่าการดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่สุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรขอการประดานานิมนต์ครับ การดำเนินชีวิตด้วยหวัวใจของความเป็นมนุษย์สู่สุขอย่างยั่งยืนจะมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมอย่างยั่งยืนนะะวันนี้นว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สู่หลวงพ่อมองมองดูแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่4ี่สิบขึ้นไปล่ะ แต่หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยก็เข้าวัยเข้าวัยสูงอายุเหมือนกันหลวงพ่ออายุเดียวนี่หกสิบหกปีนะคณะทศธาญาตโยมนะแต่ลูกหลานบางคนนะยังไม่กเกษียณที่มาอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อเนี่ยจะเข้าป่าเข้าเจ็ดสิบเลยนะไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะเป็นหลวงปู่ปู่หลวงตาแต่หลวงพ่อเนี่ย ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกเป็นเนนของหลวงปู่ล่าเป็นสมณเณรน้อยหลวงปู่ล่าวัดภูเจ้า ก, ก็หลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีจากนั้นก็พอครบพอครบพระเป็นสมณเณร จ, จูแปดปีสิบสองปีบวชพอครบพระอายุยีปี หลวงพ่อก็บวชเป็นพระเป็นสําเน็จจ8๘ปีจากนั้นก็อยู่กับหลวงปู่ลานหนึ่งพันสาจากน้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามพวกเราคงจะเคยไปวัดหลวงปู่จามเป็นหลวงอานั่นหลวงปู่จามอยู่กับหลวงปู่จามหนึ่งพรรษาจากนั้นหลวงปู่จามพาขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงให้ไปหลวงปู่จามไปจำพรรษาที่วัดเจดีหลวงแต่หลวงพ่อเนี่ยไปไปไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้กลับลงมาจำมรรษาที่บ้านห้วยสายกับองค์หลวงปู่จามเพราะญาติพี่น้องไปนิมนต์กลับลงมาอีกจากนั้นก็หลวงปู่จามก็อยู่ห้วยสายตั้งแต่บัดนั้นแต่หลวงพ่อก็ได้ลาหลวงอาขึ้นมาเที่ยววิเวกมากราบหลวงปู่ปู่แว่นหลวงปู่ชิมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมัยหลวงปู่สิงทอง หลวงปู่สุพัฒน์และก็ขึ้นมาหลวงกาบหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่บัวน้องแซงจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่วัดป่าบ้านตาดปี2512สักนั้นพันษาเพียง4พันษาเป็นพระน้อยเป็นเนนจุดแปดและก็เป็นพระ4พันษาที่มาอยู่องค์หลวงตาตั้งแตอง่อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่2512 ถึง 2,525 25, แล้วก็มาตั้งวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้นะจากนั้นก็ได้อยู่มาตลอดแตเ่เคยไปจำพรรษาที่บ้นเพิ่มปี 2,530 แตเมื่อศาลาหลังนี้เสร็จจากนั้นก็ได้มาจําพรรษาต่อเนื่องกันเนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระองมาตลอดเพราะฉะนั้นขอ วันนี้ก็คณะสัทธาติโยมได้มาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ทาวเรื่องศีลห้าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาและถึงยังไงหลวงพ่อเองขอเตือนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจถ้าพวกเรายึดทางโลกจะหาความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ยึดทางโล ก, กคือยังไงยึดศพทรัพย์สมบัติภายนอก มันยึดเท่าไห่ก็ยิ่งทุกข์ถ้าปล่อยวางที่ใจจะมีความสุขแต่จะทำยังไงคาว่าปล่อยวางคานี้มันต้องศึกษาหลวงพ่อได้ศึกษามาแต่เป็นสมมเณีอย่างที่พวกที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหลวงพ่อได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจถ้าพวกเราจะไปยึดทางนอกอยู่มีแต่ความทุกข์แต่ทางนอกเราก็ต้องรู้ว่าทางนอกก็คือข้างนอก เราทำหน้าที่อะไรทางนอกทำอะไรให้ดีที่สุดทางนอกเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่เป็นแม่ให้ดีเมื่อเราในฐานะลูกเราก็ต้องทำหน้าหน้าที่ลูกให้ดีแหะอย่างไหมอย่างลที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นลูกของพ่อแม่หลวงพ่อก็ได้นำพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อไม่ดูได้แขนาดเป็นพระนะหลวงพ่อจะไม่ดูด้ พอพ่อแม่ตายหลวงพ่อยังเอาพ่อแม่มาเผาอยู่ที่วัดหลวงพ่อบริเวณศาลาเนี่ยพอวัดดูพ่อแม่อไม่ไม่ทอดทิ้งเพราะพ่อแม่อยู่ที่ไหนตั้งแต่หัวจุดเท้าของหลวงพ่อเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เพราะนั้นหลวงพ่อจะทิ้งพ่อแม่ไม่ได้จ้องล้ำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเพราะบิดามารดาอยู่ในตัวของหลวงพ่อทั้งหมดอยราะนั้นท่านทําคุณให้กับเราแล้วเราก็ควรจะเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งจนถึงที่สุดน จากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะที่ท่านที่เราเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะแนะนําสั่งสอนท่านคุณธรรมศีลธรรมที่ดีจริยธรรมที่ดีหรือว่าคุณธรรมอันสูงส่งจนถึงแนะนําจนถึงวิมุตตุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําตัวส่วนพ่อแม่ทางโลกนั้นท่านเลีเ้ยงร่างกายของเรา ให้ใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็แนะนาสั่งสอนส่งเสียในการศึกษาในระดับหนึ่งแต่จากนั้นเราเข้ามาศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอยู่ขะองหลวงปู่ล่าจากนั้นก็นมาอยู่ขลองตาพอมาอยู่กขะองปู่ล่าหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็ไปติดต่อไปกราบไปไหว้เคารพสักการะบูชาท่านโดยสม่ําเสมอเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วหลวงพ่อเองได้เป็นประธานในการก่อสร้างพระเจดีย์ ถวายองหลวงปู่ล่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นมาถึงองค์หลวงตาหลวงพ่อก็เห็นไหมในงานสรีระของหลวงตาทําไมหลวงพ่ออินจึงกระโดดเข้าไปแต่ก่อนทำไมไม่เห็นแต่คนทั้งหลายก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อเนี่ยอยูกองค์หลวงตาเป็นเวลาถึงสิบสี่ปีสมัยยุคต่างอย่างไม่เจริญแต่พอยุคเจริญขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปองค์หลวงหาองคหลวงตาแต่เข้าไปทุกเดือน แต่ก็ไม่ได้ออกไปในงานกระถิน่นงานใหญ่ๆหลงพ่อจะไม่พูดง่ายๆว่าไม่ไปโชว์ตัวว่างั้นเถอะอยู่แบบเรียบง่ายแบบเวลาคนไปหมดแล้วก็มุดเข้าไปไปกราบไปไหว้สักการะบูชาไปกราบองหลวงตาถ้าถ้าว่าหลวงตาไม่ไฟเนื้อเชื่อใจพวกเรานึรู้สิที่จะมีพิ่นายกรรมหลวงพ่อไหมอันนี้หลวงตาท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อนี่ย อยู่แบบเงียบเรียบง่ายอย่างพวกเราท่านนังหายอยู่มาเห็นวัดหลวงพอ่ออยู่ในปานทองพงภพยอยู่แบบเรียบง่ายเอแต่เมือ่อหลวงพ่อพอหลวงตาท่านมรณภาพลงท่านก็ให้เขียนพินในกรรมเพระสีองค์คือมีหลวงปู่ฟักหลวงพ่ออินถวายกันหลวงพ่อปัญญาวัดโถแล้วก็หลวงพ่อวันชยัยเวัดภูสังโฆแต่หลวงพ่อวันชยัยท่านก็ไม่สบาย แต่ท่านก็มาช่วยงานไม่ได้ในงานหลวงปู่บทปัญญาท่านก็จากไปแล้วหลวงปู่ฟักท่านก็เสียไปแล้วจากไปแล้วยังเหลือแต่หลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกระโดดเข้าไปไปช่วยงานเพราะพ่อสั่งอย่างไงเราในฐานะลูกเราต้องทําให้ดีที่สุดในฐานะลูกะแน่ๆหลวงพ่อเข้าไปทําในฐานะลูกที่ทําได้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาแต่บัดนี้งานของหลวงตาผ่านไปแล้ว ทองคําเข้าคังหลวงที่ต้องตาที่ลงตาสั่งเสียก็ได้จัดการเข้าคังหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของหลวงพ่อไปว่าจบทําหน้าที่จบแล้วในจุดที่ทําพินักรรมนี่แหละอันนี้คือพูดให้ฟังในเพราะอะไรพอเราในฐานะลูกในฐานะลูกเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่แบบนี้เราเป็นอาจารย์มาดูอยู่ในฐานะอาจารย์ มีคณะสัตยาญาติโยมและลูกศิษย์เข้ามาถึง48รูปอย่างที่ทายกพูดเมื่อกี้เนี่ยพระจำบัญษ า, ากับหลวงพ่อเนี่ย48รูปหลวงพ่อก็พยายามทําหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุดเหมือนกันเออคือเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยากจะให้ลูกศิษย์ดีเราต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูเราอยากจะให้ลูก ด, ดีเราต้องทํดด า, า, ด, าทดีให้ลูกดูเราจะให้ลูกน้องดีอยากให้ลูกน้องดีเราต้องทําดีให้ลูกน้องดูอ่ะ นี่แหละอันนี้คือผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับแม่ปู่ลูกต้องเดินตรงนะแต่ตัวเอืนตัวเองเดินงองแงก็ ง, งแงจะให้ลูกเดินตรงได้อย่างไรนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนระท ร, รมาดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรถึงเราจะทำดีที่สุดขนาดไหนอย่างที่หลวงพ่อที่บรรยายมาตั้งแต่สั ม, มเาณจนถึงเป็นพระ เ, เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ล่าถึงจะเป็นลูกของพ่อแม่ โอ้พ่อมีพ่อมีแม่เตี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่จนถึงครูบาอาจารย์จนถึงองค์หลวงตาหลวงพ่อทําดีที่สุดในความรู้สึกสุดความสามารถแต่ในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเยนเลยถึงหลวงพ่ออินจะทําดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดกระดูกหลวงพ่ออินเขยังเอาผอไฟทิ้งไม่ต้องพูดอย่างอื่น ไม่ต้องถึงพูดถึงศาลาหลังนี้ไปต้องพูดถึงวัดหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดจะต้องปล่อยวางทั้งหมดเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่จะที่จะติดตามหลวงพ่ออินไปคืออะไรนอกจากบุญกุศลนอกจากคุณงามความดีที่หลวงพ่ออินสร้างเท่านั้นแหะจะเป็นบุญงามความดีอันนี้พวกคณะสัตย์าน ญ, ญาติโยมทั้งหลายาพูดที่จะเอาเป็นตัวอย่างก็ควรจะเอาได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะยึดคนนั้นจะยึดคนนี่รักคนนั้นโกรธคนนี่เกลียดคนนี่เออมันไม่มีที่สิ้นสุด พอเราเกิดมาในโลกนี้จะเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่อายุของเราเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะมีความสุขไปสักเท่าไหร่นานเท่าไหร่นี่แหละให้ปล่อยวางที่ใจแต่ถ้าคนที่รู้จักปล่อยวางที่ใจให้ระ ล, ลึกถึงความตายไปอยู่เสมอคนนั้นจะไม่ลืมตัวอยู่ในสถานที่ไหนก็ อ, อยู่ได้อยู่ได้แบบผาสุขอยู่ได้แบบไม่ลืมตัวอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ถึงจะโกรธใครก็ไม่โกรธมากถึงจะรักใครก็ไม่รักมากอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะหนีจากกันอยู่แล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะหันหน้าเข้าหากันควรจะเอาคุณงามความดีเข้ามาสู่กันควรจะเอาคุณงามความดีมาเกื้อกูลหนุนกันคุณจะมีเมตตาต่อกันควรจะมีความรักชอบเมตตาต่อกันควรจะมีน้ำใจต่อกันนั่นแหละอันนี้คือมนุษย์อยู่ด้วยกันจะร่วมเย็นเป็นสุข แต่ถ้าว่าเราไม่แต่โกรธโมโหโกรธาอิจช้าพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันอยู่เรานั่นแหละจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในจิตในใจหาความสงบ พ, พร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้ประนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอายุถึงปู่นี้แล้วควรจะมองหาหนทางตนเองหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธเจ้า ชกยกจ่องเชิดชูบูชาว่าโอ้พระพุทธเจ้าของเราเนี่เป็นอัจฉริยะบุคคลจริงๆเห็นไหมท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจึงหนีออกไปบวชท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างด้วยราบยศฉรเสริญสุขเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านหนีออกไปบวชจะหาได้ที่ไหนมีไหมในยุคไหนพระพุทธเจ้าของเราเนี่เลิศประเสริฐจริงๆเป็นอเอัจฉริยะบุคคลจริงๆเป็นบุคคลที่หาได้ยากจริงๆ พระสงฆ์ทั้งหลายได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทองค์บอกว่าในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะเราได้บำเพ็ญมาแล้วถึงแปดถึงสีอสงไขยกาไรแสนมหากับเราพร้อมที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของเราเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วแต่ชาติคนก่อนนั่นน่ะน่าอัศจรรย์กว่านี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าชาติชาติไหนพระเจ้าค่านพระพุทองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง เราเป็นพระเจ้าคลองราศเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคลองอยู่กรุงมิถิลามหานครชื่อมะะัคคะแ่เทวราชสมัยนั้นเราอายุยืนเป็นแสนปีเป็นแสนกว่าปีแสนห้าหมื่นปีนะออแต่เราจะแปลกใจกว่าคนทําไมอายุยืนมากขนาดนั้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเราคิดดูซิหมากับคน หมาเพียงอายุ1ิบเบปีทำไมไม่ยืนเหมือนกบคนเขาว่าเต่าอายุตั้งหลายร้อยปีนะอายุมันยืนต่างกันแต่ยุคนั้นสมัยนั้นบุญบารมีพระศรีอานอายุยืนนึก8ปดหมื่นปีนะ พ, พระจัดพระศรีอานต่อไปภายภาคหน้านะแต่ของเราในร้อยปีนี่ก็งอกแขกแล้วไม่ไหวแล้วมันเป็นยุคเป็นสมัยแต่จำไหมนะ่านว่าอายุท่านแสนแสนแสนกว่าปีแสนห้า0 0 0ปี ท่านก็ครองราชมาด้วยความผาสุกวันหนึ่งท่านไปชงโงกหน้าไปดูไปสองหน้าในกระจกนะไปเห็นเส้นผมเส้นหนึ่งงอกบนศรีรษนะเส้นผมมันขาวเส้นเดียวนะท่านก็แปลกใจเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหรือตาฝาดนะท่านก็เรียกนายกันในช่างกันบกคือในช่างในช่างในในช่างตัดผมมาเออในช่างมาเนี้มาดูสิว่านี่เส้นผมเรางอกไหมเนะี่ย ในช่างเขาเลยเอาแหนตทองคํามาก็เลยมาถอนออกเส้นที่มันงอกมาท่านก็แบมือรับพระเจ้าไปเนี่ยก็แบมือรับมาก็เป็นเส้นผมงอกจริงๆพอเห็นเส้นผมงอกเท่านั้นแหะท่านสลดใจอย่างใหญ่หลวงเลยบอกโอ้โหอันนี้ความแก่มาถึงเราแล้วอันนี้คือบอกถึงความแก่ต่อไปถ้าแก่คนนี้ต้องก็ถึงจุดจบก็คือ ค, อความตายบัดนี้ความแก่มาถึงเราแล้วผมของเรางอกแล้ว เราจะไปหาความสุขในการเป็นอยู่ในคารวาสได้อย่างไรควรเราควรจะสะแสวงหาที่พึ่งอย่างอื่นเราควรจะสละราชสมบัติไปเป็นทือสีอยู่ในป่าบําเพ็ญพจนหาทางที่ไปสู่พรมโลกจะดีกว่าจากนั้นท่านก็ได้มอบรางวัลให้แก่ในช่างการบกงามอย่างงามไม่รู้เงินเท่าไหร่ ยกบ้านสวยให้ยกที่ดินให้เป็นเก็บสวยกินจากนั้นก็เรียกลูกชายคนโตมาก็มอบราช ส, สมบัติทั้งหมดให้แก่ลูกชายจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกไปบวชเป็นรือศีอยู่ในอุทยานบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จฌานจะมาบัตเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไปสู่พมโลกนั่นแหละชาตินั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์ บารมีของเรายังอ่อนแต่เราคิดได้ยังไงเราจึงเห็นเพง เ, เกษาเพียงเส้นเดียวแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจบอกถึงความแก่เพราะนั้น เ, เมื่อเราได้ ส, ะสะละราชสมบัติแล้วเราก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าเป็นฤาษีบำเพ็ญรักษาศีลภาวนาจากนั้นเราก็ได้ออกจากชาตินั้นแล้วเราเขไปสู่พรมโลกนะอันนี้คือตัวอย่างที่ดี สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายบรมครูของพวกเราที่ท่านได้สอนเอาไว้ถ้าพวกเราเห็นร่างกายของเรา <c oughs> เห็นฟันหลุดเออเราก็แก่แล้วนะ เ, เห็นผมหงอกผมขาวเออเราแก่แล้วนะตาฝ้าฟางเออเราแก่แล้วนะหูตึงเราแก่แล้วนะเมื่อเราแก่แล้วเราจะทายัางไงเราก็ควรเฉาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจศีลธรรมมีเท่าไหร่ เราควรจะรักษาศีลห้าเราก็ควรจะไหว้พระสวดมนต์เราควรจะสมาทานศีลนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นภกในวัฏสงสารต่อไปเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ในในโลกมนุษย์นี่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนแหมพี่น้องปู่ย่า ต, ตายายญาติมิตรสหายของเราเราไปส่งขึ้นเมนไปปะละโลกเออไปกลับไปบ้านเก่าไม่รู้ ก, กี่กี่ครั้งตกี่คน กี่โหนตะกี่โหนละมาแล้วเราจะอยู่โชฟ้าดินชลายเหรอคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อีกสักวันหนึ่งเขาก็คงจะส่งเราขึ้นเมนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะส่งขึ้นเมนนั้นเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรื อ, อยังบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้นพอหรื อ, อยังได้ถามตัวเองสิเป็นที่อุ่นใจหรือยังเมื่อเราออกจากชาตินี้เราจะไปอย่างไงพราะพระเจ้าจะมาตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น พระพุทธเจ้าเนี่ยไปค้นคว้าศึกษาดูแล้ในวันเดือนหกเพนที่โครนต้นโพพุทธกายาประเทศอินเดียท่านนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาแล้วจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบพอจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถเนี่ยมาอยู่ในร่างกายเนี่ย ก้างกายที่แตกตายสลายแน่ลงไปสู่ที่น้ำานไฟเผาเผาไฟแน่ตอนจิตใจแนะนำมาทำนั้นไม่มีป่าช้าไม่ตายออกจากร่างนี้เราต้องไปหาร่างอื่นไปซื้อรถคันอื่นอีกต่อไปก่อนที่เราจะออกจากร่างนี้เนี่ยในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าสำคัญนะตรงที่ออกจากร่างนี้ไปคนที่จะออกจากร่างไปนั้นน่ะเหมือนกับคนที่จะรถคันนี้มันพังแล้วน่ะ เราได้เตรียมเงินไว้แล้วอย่างที่จะซื้อรถคันอื่นเงินของเรามีพอไหมถ้าเรามีเงินพอเราก็ซื้อรถคันอื่นได้สวยงามกว่าดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจในการหาเงินมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสนุกสนานเป็นแต่ละวี่แต่ละวันไปผลในสุดพอรถคันนี้พังเท่า น, นั้นแหละเราจะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อรถคันนี้นี้ก็เหมือนกันพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแตรสนุกสนานเพิดเพิดในฮาไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่รักไม่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมมีแต่อยู่ๆเป็นวันๆวันๆไปเหมือนกับคนไม่แสวงหาทรัพย์ในเมื่อออกจากชาตินี้แล้วเป็นจะยังไงพวกเราไม่มิไม่มีเงินไม่มีเงินก็ น, นู่นละ่ะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานช้างมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าคนมีเงิน ไปเลือกเกิดได้เลยลูกเศรษฐีที่ไหนตระกูลเศรษฐีที่ไหนเราไปเกิดเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีบุญเหมือนกับเรามีเงินไปเลือกซื้อสิ่งของได้ทุกรถได้ทุกคันไม่ว่ายี่ห้อแพงยี่ห้อไหนก็ข้อต่างเราต้องการยี่ห้อไหนเราซื้อได้ทั้งนั้นเพราะนั้นบุญกุศลสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ท่านพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าปุญญานิปลโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ่ะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะมีแต่ความสุขในปัจจุบันก็มีความสุขเราจะหลับตาลาโลกก็มีความสุขไม่วิตกกังวลอะไรทั้งหมดเพราะเราได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วนะ่ะ าการพูดกันแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเอาต่อนนี้ไปรับผ่อนพรนามธนาให้ผ่อน